ขาดแล้วก็ขาดไปเลยทะลุไปเลยขาดไปเลยสินด่างพลอยไปเลยอันนั้นไม่ดีสินขาดเหมือนกับผ้าขาดถ้ามันขาดแล้วก็ไม่ปะไม่ชนมันก็เป็นรูโวอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่น่าดูถ้าว่ามันขาดไปแล้วเมื่อเราไม่ได้รักษาสินที่มันขาดไปแล้วเราก็มันขาดไปแล้วชนนั้นเราค็ยกลับมาปะมาชนใหม่อีกมาเย็บใหม่อีกให้มันแน่นหนามั่นคงขึ้นเออถ้าไม่จาเป็นข้าพเจ้าจะไม่ให้สินขาด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 ให้มันเกิดประโยชน์นี่แหละถ้าว่ามันไม่เกิดประโยชน์นเราไปทําไปทําไมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมฝากไว้กับพุทธาศาสนากชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมกันรักษาศีลในวันนี้อัตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอรหะอันอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าว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 ในถิ่นนั้นก็ยังมีร่องรอยวัดวาศาสนาอย่างถ้ำจำปาบ้านนาคันแทอําเภอหนองสูงอย่างนี้หลวงปู่เสาก็เคยไปอยู่เป็นภูผาปา่าไม้เป็นถ้ำจากนั้นจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็แนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านกอ็ออกเที่ยวทุรงหาเที่ยววิเวทตามสถานที่ต่างๆเราคิดดูที่ว่าเมื่อ8090ปีให้หลัง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 เป็นหน้าผาสูงชันอีกต่างหากแต่หลวงปู่มั่นมาอยู่นี่แหละท่านมาแสวงหาทางพ้นทุก์มาส่แสวงหาการประพฤติปฏิบัติส่แสวงหาความสงบนะแล้วก็ท่านก็มาอยู่บ้านโนนสว่างนี่อีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยไปทุกหัวและแห่งเพื่อหาความสงบเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าท่านไม่ไปนะท่านไปส่แสวงหาที่สงบ ตรงไหนเป็นที่สงบะท่านก็ไปท่านถือตามริยะประเพณีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีพระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้ามาพระองค์ก็แนะนําพระพุทธเจ้าก็แนะนำเออพวกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังประธรรมคําสอนของเราแล้วให้พวกท่านส่อแสวงหาที่สงบนะกําจัดกิเลสภายในใจของพวกท่านพวกท่านทั้งหลายอย่าไปอยู่ในที่คุกครีวุ่นวายถ้าไปอยู่ในที่คุกครีวุ่นวายแล้ว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 มาสู่จิตใจของเราอย่างน้อยก็ไหว้พระรักษาศีลแล้วก็นั่งภาวนาใะภาวนาอย่างน้อยก็บ5นาที10บินาทีพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่งสมาธิเหมือนพระประธานนั่งถ้าพระประธานนั่งอย่างไรเรานั่งอย่างนั้นแหละเราไปกลับไปถึงบ้านเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเทร้อยแล้วเราคนนั่งเนี่ยแบบพระประธานนั่งเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธง่ายนะ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 500 อ, องค์เนี่ยเมื่อฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็เออปักพวกเราเข้าป่าหาภาวนาหามุมสงบจากนั้งก็เดินหาเที่ยวไกลไปตึงไกลไปตึงร้อยกว่ากิโลจากวัดป่าเชตตะวันพอไปก็ไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นก็ติดติดป่าดงป่าดงเรีว่าไพ่สนก็ว่าไพยสนคือเป็นป่าที่หนาแน่น ก็ไปบินทบาทตอนเช้าพระสงฆ์ต่างหารยศรัทธาญาติโยมก็แตกตื่นขันมามากระดูแล้วเอาพระคุณท่านไปยังไงมายังไงพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าก็บอกเอออาตมาได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วอาตมาก็จะมาหาที่สงบสงัดภาวนาจํามะจิตใจไม่มีอะไรศรัทธาญาติโยมเอาพระคุณท่านจะไปที่ไหนตรงนี้ก็มีอยู่นะป่าดงพวกข้ายินดีเพราะเป็นป่ารงใหญ่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 เออถ้าอย่างนั้นศรัทธา ย, ยาดูพาไปดูซิตรงที่ภาวนาเน่เป็นยังไงหัวหน้ากับคณะเขาก็พาออกไปไปดูเข้าไปในป่าใหญ่ป่าดงป่าภัยส น, นภัยสนก็จะเป็นป่าที่เหมาะแก่การภาวนาดูทำเลน้ำอะไรพร้อมพระสงค์เรานั้นก็เข้าไปพ่อเข้าไปเขาก็ จ, จัดเจ้านาชนะให้ก็ต๊อบกระแต๊บให้ตามเมตตามเกิดของเขาน่เา จ, จัด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 เคารพกราบไหว้พระผู้ทรงศิลพ่พอต่อมาทีนี้เทวดาก็คิดว่าวันพรุ่งนี้พระคุณท่านคงจะไปล่ะมั้งแอ้พวกเราจึงค่อยขึ้นบนปราศาสตรของพวกเราที่พักของพวกเราแต่นี้พระสงฆ์ตอนเช้าก็ไปบินเวบัตพอบินเที่ยวบัสก็กลับมาอีกกลับมาอีกวันพรุ่งนี้ท่านคงจะไปมัง้งจัทธาญาติโยมคงจะนิมนต์ท่านให้อยู่พอทีนี้อยู่ไปอยู่ไปพระสงฆ์ไม่ไปถึง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 พระพุทธองค์ก็บอกไปไปกลับไปภาวนาที่เก่านั่นแหละเนี่ยพระสงฆ์ก็โอ้จะให้พวกข้าพระองค์ไปเหลือพวกใครๆว่ายังหวาดยังกลัวอยู่งั้นเออไปนะไปภาวนาจุดนั้นละนั่พวกท่านจะได้กำลังจากนั้นพระสงฆ์ก่อนพระพุทธองค์ก็ให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 เ, เมื่อสู่ความสงบท่านมองเห็นว่าร่างกายนี่เหมือนกับหม้อดินร่างกายของเราเหมือนกับพาชนะดินหม้อดินพร้อมที่จะแตกสลายในทุกเวลาเวลามองเห็นร่างกายตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแสดงอิทธิฤทธิ์สองมาคล้ายๆกับเป็นแสงลำมานมา เหม ก, กับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์เหล่านั้นแพวกองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายร่างกายสังขารเนี่มันเหมือนกับหม้อดินจริงๆพร้อมที่จะแตกได้ทุกเวลาเวลาเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมีแต่คนที่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของจิรังถาวรเป็นของที่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายไม่ใช่นะภิกษุทั้งหลาย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 พวกเราไปได้มุ่งหวังอะไรพวกมุ่งหวังแต่ความผาสุขและพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแต่จัดถึงยังไงจึงจะถึงแดนพริพพันธ์ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะในวันนี้เป็นวันพระหนึ่งเดือนพอดีครบเดือนพอ ด, ค ด, อพอดีครบเดือนพอดีเดือนหนึ่งเพราะนั้นขอเนื้อนหลังด้ยซิว่าข้าพเจ้ารักษาศีล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 เสื้อขาดผ้าขาดมันก็ไม่ดีเป็นรูโหวอยู่ยงั้นไม่ดีนะอย่าเมื่อมันขาดแล้วก็ปะชุนจช่เย็บให้ดีให้เรียบร้อยนั้นก็ให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคานาสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าตั้งอกตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะี่ยพระสงฆ์ท่านภาวนาเห็ น, เ ห, นเห็นร่างกายเนี่เป็นเหมือนกับภาชนะดินภาชนะเนี่ยคือจานดินหม่อน้ำํำคุดินกระป๋องดินโอ่งน้ําดินพร้อมที่จะแตกในทุกเวล่ำเวลา ไม่ได้บอกเวลาว่าจะแตกด้นเดือนนั้นปีนี้มันพร้อมที่จะแตกร่างกายของเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์เหล่านั้นท่านเห็นอนิจจังต่างกายเป็นเป็นร่างกายเหมือนกับภาชนะดินพระพุทธเจ้าก็เสริมชายร่างกายเหมือนภาชนะดินจริงๆพระสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไวน้นะนเนี่แหละอันนี้คือทำความสอนของพระพุทธเจ้าเตือนพุทธท บ, บริษัท4อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย อ้าต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร